ที่จะตอบสนองความโลภความอยากเครื่องมือที่จะตอบสนองความโลภความอยากของใจก็คือร่างกายนี้เองต้องมีร่างกายถึงจะมีตาหูจมูกเล่นกายถึงจะสามารถเสพกลามคุห้าคือลูกเสียงกลิ่นรสปวพทับทาได้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 เหน็นโทษของความอยากที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้จิตใจหุ่นวายจิตใจไม่มีความสุขจิตใจเดือดเนื flavors, ้อร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับที่ทําให้จิตใจต้องไปทําอะไรต่างๆนาน า, น า, น า, นานไม่รู้จักจบจากสิน้นทําเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ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 ไม่ว่าจะเป็นการบทสวนบทพระพุทธคุณอิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธหรือการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปภายในใจถ้าใจมีการเจริญพุทธานุสติอยู่ใจจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เมื่อไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ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 หยุดความคิดก่อนการหยุดความคิดนี้ก็จะได้ประโยชน์สองประการด้วยกันคือหยุดเครื่องมือของความโลภของความอยากเวลาหยุดความคิดได้จะได้ประโยชน์ข้อที่หนึ่งก็คือหยุดความโลภความอยากได้ชั่วคราวแล้วก็ได้ประโยชน์ข้อที่สองก็คือ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 กลับมานั่งเฉยๆแล้วก็จเจริญส ต, ติต่อไปเพื่อให้ใจได้เข้าสู่ความสงบให้เกิดความสุขให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาให้ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะมีความชำนาญมีความสามารถที่จะสั่งให้ใจตั้งอยู่ในอุเบกขาได้ตั้งอยู่ในความสงบได้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 ภายในใจถ้าใจของเรามีความสงบเพราะเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากนี้ใจที่เย็นสบายนี้จะเริ่มร้อนขึ้นมาจะเริ่มกระเพื่อมขึ้นมาจะเริ่มมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาให้ให้ดูที่ที่ใจถึงจะเห็นความจริงอันนี้และต้องเป็นใจที่สงบถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจน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 พ่อพเลือดเท่านั้นแต่ผลที่ทำให้พระพุทธเจา้านี้ห่อเลือดเป็นผลที่ร้ายแรงเท่ากับการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหาันผลประกอบการของพระเทวทัตจึงต้องเป็นผลลบคือขาดทุนคือทบาบาปมากกว่าทำบุญถึงแม้ว่าจะได้บวชเป็นพระมาหลายสิบปีด้วยกัน แต่บุญที่ได้รับจากการบวชบุญที่ได้จากการาเจริญสมาธิทำใจให้เศาใจให้ปากมีอิทธิฤธิปาฏิหารได้ก็สู้บาปที่ทำไม่ได้กำลังของบาปนี้แรงมากกว่าผลประกอบการของพระเทวทัริงเป็นผลลบจึงต้องไปใช้กรรมในนรกก่อน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 เราก็สามารถที่จะทำให้มันกำไรก็ได้ทำให้มันขาดทุนก็ได้อยู่ที่ตัวเราถ้าเราคอยสังเกตดูการกระทาของเราอยู่ทุกเวลานาทีถ้าเป็นการกระทาที่จะทำให้ขาดทุนเราก็หยุดได้ถ้าเป็นการกระทาที่จะเราทำให้เรากำไรเราก็เร่งทำให้มากขึ้นก็ได้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 พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาริวาาปุราปาริวเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินางเฟตานางังอุปกาปติอิชิตังปติตังตุมหงังคิ ป, ปเมวะสมมิตาโต สัพเพปเรนตุสังปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสภีต so ิโยวิวาจันตุส so ัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทานสีลิศะนิจังวุธาปจายโนจัตตารุธมมาวาทานติอายุวโนโสุขังภาลางต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญ เป็นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถามได้เลยมีสามคำถามนะคะพระอาจารย์คำ ถ, ถามแรกคือเรื่องของการบวชกับการลาศึกอะค่ะสำหรับชีพรามณ์กรณีที่ตอนเรามาบวชเราไปบวชต่อหน้าพระแล้วก็ด้วยความที่มันมีกฎระเบียบ ว, ว่ามันจะต้องเวลาจะกลับก็ต้องไป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 ที่เขามีธรรมเนียมของเขามีกฎมีฎมระเบียบ ข, ของเขาเขาให้บราทอย่างนั้นถ้าเราอยากจะอยู่ในอยู่ในสถานที่ของเขาเราก็ต้องเคารพในกฎในระเบียบ ข, ของเขานี้ถ้าเราไม่สะดวกเราก็อาจจะบอกเขาไปก็ได้ว่าขอลาตั้งแต่วันบวดเลยขอลาล่วงหน้าก่อน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 นี่มันก็เลยเป็นความเชื่อติดกันมาว่าจะรักษาศีลได้จะต้องสมาทานศีลก่อนแล้วศีลชนิดที่สองก็คือศีลที่เราเรียกว่าวิรัตคำว่าวิรัตก็คือมีความตั้งใจที่จะไม่กระทาการกระทาต่างๆที่ไม่ถูกต้องก็คือศีลอันนี้วิรัตก็เหมือนกับเราถือมังสวิรัตอย่างนี้ เวลาเราจะกินเจรเราต้องไปบอกให้พระบอกหรือเปล่าว่าขอสมาทานกินเจก่อนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเศษสุรายาเมาถ้าเรารู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็ไม่ต้องไปหาพระก็ได้ถ้าเราอยู่บ้านเราอยากจะรักษาศีลห้าศีลแปดเราก็รักษาได้มันอยู่ที่เรารู้หรือเปล่าว่าศีลมีอะไรบ้าง ท่ารูแล้วเราก็รักษาไปเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาว่าวันนี้จะขอรักษาศิ่กี่ข้อก็ว่าไปอันนี้ก็เรียกว่าสี่วิราชแล้วสิ่งชนิดที่สามนี้ท่านเรียกว่าสิของพระอริยะเจ้าเออเป็นของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นว่าการผิดศีล น, นี้เป็นโทษกับตนเองอย่างชาัดเจน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 เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องถูกสาปแชงหรือมีผลกระทบต่อเอกกรรมที่พ่อจะได้รับมา อ, มอันนี้สมมติเฉยนะคะหนูไม่ใช่ลูกมาเฟียแต่สมมุติเป็นแบบอย่างอื่นอย่างเช่นคนในบ้านเราพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยไปทําเลวแล้วบางคนว่ามีผลกระทบกลับมาซึ่งมาโดนเราด้วยอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีปกป้องตัวเองยังไงดีคะเพื่อไม่ให้มันกระทบเราเพื่อไปบวชเนี่ยไปบวชแล้วก็จะไม่มากระทบเกัาเรา <c oughs> ถ้าในช่วงที่ยังบวชไม่ได้ล่ะคะก็ทําใจ ก็ทำใจยังทำใจไม่เก่งอะค่ะก็เพราะไม่เก่งก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องยอมรับผลกรรมที่มากระทบ น, นถ้ายอมรับมันก็ถ้ายอมรับได้มันก็ทำใจได้ขอบคุณค่ะอาจารย์มีหมดแล้วคะ่ะคำถามแรกค่ะมีผู้ฝากถามมาค่ะแม่ป่วยหนัก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 ที่วัดนี้เขาก็มีการรับพระแต่ต้องเข้าต้องไปรับต้องไปเข้าที่วัดวัดยานสังวรารามไม่ได้ขึ้นมาอยู่ที่บนเขานี้โดยตรงพระทุกลูกที่จะมาพักอยู่บนเขานี้ต้องเข้ามาพักที่วัดยานก่อนแล้วผ่านขั้นตอนของการการรับรองของวัดก่อนถึงจะขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ได้ตามลำดับต่อไปคําำถามต่อไปจากคุณ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 ด้วยแรงดันสูงติดต่อกันเป็นเวลานานานโลหะสองชนิดสามารถซึมซาบเข้าหากันได้เราสามารถเรียกโลหะว่าสองชนิดนี้ว่าธาตุน้ําได้ไหมคะเพราะมันมีลักษณะซึมซาบเข้าหากันคือมันเป็นของเหลวเราก็เรียกว่าเป็นธาตุน้ําได้ถ้าเป็นของแข็งเราก็เรียกว่าเป็นธาตุดินคําคถามต่อมาค่ะ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 ร่างกายของพวกเราก็มีธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุลมมาผสมกันแล้วถึงเวลาเขาจะแยกออกจากกันเขาก็ไปกันคนละทิศคนละทางธาตุลมในร่างกายมีอาการพัดขึ้นสู่เบื้องบนพัดลงสู่เบื้องล่างพัดอยู่ในลใําไส้พัดอยู่นอกลําไส้พัดไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ตามแนวเส้นเลือดและเส้นประสาทเราสามารถฝึกฝน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 คำถามต่อมาจากคุณกรกฎสกรค่ะผมลองฝึกสมาธิมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งนั่งสมาธิได้สักชั่วโมงครึ่งรู้สึกเกยน็นบูบหนังศีรษะขนลุกและอาการนี้เพิ่งเคยเจอครั้งแรกกระผมขอกราบเรียนถามพระอาจารย์แนะนำว่าจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับก็นั่งต่อไป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 แต่ถ้าเราต้องฆ่าเองมันถึงจะเรียกว่าเป็นบาปคำถามต่อมาจากท่านเดิมค่ะถ้าเป็นบาปกรรมการทำบุญให้ทานพอจะช่วยบรรทรกรรมตรงนี้ได้ไหมขอคำแนะนำค่ะคือมันไม่สามารถที่จะไปลบล้างบาปที่เราทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะใช้กำลังของบุญนี้ถ่วงถ่วง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 แต่ถ้าทุกภพทุกชาติที่มาเกิดนี่สามารถทำบุญได้มากกว่าบาปอย่างที่ได้เทศวันนี้ว่าถ้าสามารถมีผลประกอบการที่กําไรอยู่ทุกภพทุกชาติบาปก็ยังไม่ต้องไปใช้เหมือนไปรับผลบุญไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะเข้าพระนิพพานไปอย่างองคุลิมาในฆ่าคนมาถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่สามารถที่ยัยุติความอยาก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 เรื่องที่สองค่ะเราต้องทําอย่างไรเพื่อเป็นการเตรียมตัวตายที่เหมาะสมคะครับหัดทำใจให้สงบฝึกสติสมาธิปัญญาให้มากๆเราจะตายอย่างสงบตายอย่างพระพุทธเจ้าตายอย่างพระอาหารหันต์คำถามต่อมาค่ะของคุณวินค่ะช่วงเวลาที่เดินจงกรมมีความรู้สึกเหมือนมีพลัง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 แ้าเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเราเราก็จะเลิญเห็นนั้นต่อไปถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราก็อยากไปทำเหตุนั้นค่ะคาถามจากคุณต่อมาจากคุณน้ำค้างใบบัวค่ะมิจฉาทิถิรู้ผิดเห็นผิดเข้าใจผิดคิดว่าดีแล้วถูกที่สุดแล้วเรามีวิธีใดบ้างเจ้าคะที่ลดระดับมันลงเจ้าคะ่ะ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 นั่งสมาธิแล้ตัวแล้วเกรงและสันะ่นะค่ะก็คือเอาชนะความม่วงได้แล้วสักพักตัวก็จะเกรงและสันะ่นค่ะพอกำหนดรู้อาการนี้ก็จะหายสักพักอาการนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกค่ะก็อย่าไปสนใจก็ให้ภาวนาไปให้เจริญสติไปถ้าใช้พุโทโธก็พุโทโธไปถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่าไปสนใจกับอาการที่เกิดขึ้น คำถามต่อมาจากคุณอนิจจังทุกขังอนัตตาค่ะผมได้ปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วบริกรรมคำว่าพุทโธแต่รู้สึกว่ามันอึดอัดเหมือนว่ามันไม่ถนัดเพราะเคยฝึกว่าคือดูลมหายใจเข้าออกและก็ใช้คำว่าพุทตอนลมหายใจเข้าโทตอนลมออกแต่ที่มาเปลี่ยนเป็นบริกรรมพุทโธอย่างเดียว ก็เพราะครูบาอาจารย์ท่านสอนให้พุโทโธเป็นหลักบางทีนึกพุโทโธก็ยากยากคือบางทีก็พุทตั้งนานกว่าจะโรเกิดความลังเลสงสัยตลอดว่าผมคงไม่ถนัดกับพุโทโธอย่างเดียวต้องกลับไปแบบเดิมสุดท้ายไม่ก้าวหน้าไปไหนผมควรแก้ปัญหานี้อย่างไรครับก็ควรจะใช้วิธีที่มันถูกกับเราที่ให้ผลกับเรา วิธีที่ไม่ถูกกับเราไม่ให้ผลกับเราก็คงจะไม่ไม่ไม่ควรจะใช้คำถามต่อมาจากคุณเพลบิชบอยค่ะมเมื่อเข้าสู่นิพพานจิตผู้ปฏิบัติจะเป็นธรรมธาตุคือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกธาตุธรรมในความนึกคิดผมทำให้ผมนึกถึงก้อนหินดินน้ำลมไฟที่ไม่มีความรู้สึก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 ปัญญาก็คือการเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงของเขาคือเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคําถามต่อมาค่ะจากคุณทานสิวรัตเล่นไลน์หรือเฟซบุ๊กผิดสีลแปดหรือไม่ครับคือมันผู้ที่ภาวานาเนี่ก็ต้องปิดทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเล่นไลน์นี่ต้องใช้ตาใช้หูอยู่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 ถ้าเราอยากให้เขาเป็นต่างจากที่เราต้องการให้จะเป็นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใครเห็นแบบนี้ก็ถือว่ามีความเห็นที่ถูกต้องอหมดคำถามจากทางบ้านแล้วที่นี่มีใครมีอะไรคาใจอยู่ที่อยากจ ะ, ะพูดให้ถามต่อหรือไม่